ฉะนั้นโอกาสในการที่จะมาได้มีโอกาสในการเจริญกุศลในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทำได้ง่ายนยซึ่งในที่สุดถ้าเลามองอย่างนี้ก็จะเห็นเจตนาคือความจงใจคือความตั้งใจของโยมสุวรรณนั้นมีความตั้งใจมานานแล้วปรารถนาอยากจะนิมนต์พระภิกษุแล้วก็สัมมาเนน ตลอดถึงเชิญชวนอุบาสกเลอบาสิกานมาร่วมฟังวิธรรมและได้มีการเจริญทานากุศลเจริญศีลกุศลแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ภาวนากุศลซึ่งในที่สุดก็ทำได้สำเร็จนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยอนุภาพของคุณของพระรัตนตรยัยก็สามารถเป็นปัจจัยทำให้ความปรารถนาของยองสุวรรณนั้น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 ที่สุดจริงๆเห็นไหมว่าแม้จะมาอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนจะทาได้ยากแต่ก็มีโอกาสที่ทําได้จนได้นี้แหละคืออนุภาพของพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งศรัทธาให้มุ่งมั่นเชื่อการตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์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 อโทส่าเมื่อเด่นขึ้นมาแล้วสภาพของความเย็นสภาพของความเย็นแบบประเภทที่เหมือนจันซึ่งมีความหอมและเย็นด้วยกลิ่นจันหรือเป็นสภาพที่เหมือนกับพระจันวันเพนให้ความเย็นให้ความสงบแม้ฉันใดอโทส่าเนี่ยจะนำมาซึ่งเดชหรือเดชานุภาพพระเจ้าจักรพรรดนั้นมีช้างแก้ว มีม้าแก้วเห็นไหมแล้วก็มีจักแก้วนั้นจักแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเนี่ยทำให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาเพราะความไม่โกรธความไม่โกรธเนี่ยชั้นรัตนะต่างๆเหล่านี้ที่จะเด่นชัดในกระแสจิตใจของพระเจ้าจากาักรพรรดิเป็นต้นได้นะไม่ใช่ท่านได้มาด้วยความโกรธนะ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 อำนาจของความไม่โกรธไม่ใช่อำนาจของความโกรธทีนี้อโมหะซึ่งมีฉันท่าอย่างแรงก้าวิรยิยะจิตตะโดยเฉพาะมีปัญญาวิมังสาคือปัญญาเนี่ยความไม่หลงเนี่ยทำให้ได้รัตนะอันประเสริฐก็คือปรินายกะรัตนะคือปรินายกแก้วปรินายกแก้วเนี่ยเกิดมาได้บุญของเบญเจาจักระพัด รู้จิตใจของบุคคลทั่วๆไปว่าคนนี้จะมีอุปการะต่อจักรพรรดิหรือจะมีโทษแก่าจักรพรรดิเป็นต้นนะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นเหล่านี้หรือพระเจ้าจากาักรพรรดิปรารถนาสิ่งใดก็ดำบลิได้ดังใจหวังนั่นแหละปัญญาทําให้ได้มาซึ่งปรินายกแก้วให้สังเกตนะว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาทั้งหลายเหล่าเนี้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 ท่านก็มาแยกเป็นสองแยกเป็นสองส่วนก็คือว่าส่วนที่ผู้ฟังแล้วทรงจาได้กับฟังแล้วทรงจำภาษาธรรมนั้นไม่ได้เมื่อทรงจำภาษาธรรมแล้วเออจับฟังภาษาธรรมแล้วทรงจาไม่ได้ก็จะถูกตำหนิเพราะเหตุนั้นนั้นเพราะจักไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วแต่ผู้ที่ฟังภาษาธรรมแล้วทรงจาได้มีความเข้าใจเนี่ยนะ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 วิ ย, ยากรณ์คาถาอุทานอิทธิวุตกาอภูโอเทธระเนีเป็นต้นอ่ะชาตกาิะกะแล้วก็เวททะอย่างนี้เขาเรียกองค์9สรุปก็คือมาพิจารณาเกี่ยวกับในกรณีธรรมะนี่คืออะไรก็คือกลุ่มสติปัฏฐานสัมปทา น, ทานอิทธิบาท4อินทรีย์5พระ5โพชฌงเจ็แล้วก็อริยมรรคมีองค์แหรือจะพูดโดยย่อก็คือหลักของศีลสมาธิและปัญญาหรือ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 เจตนาในการกระตุ้นเตือนนามธรรมา ท, ทั้งหลายกระตุ้นเตือนตรงนั้นก็คือว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยให้กับกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นแข็งแกร่งและตั้งมั่นมากก็กลุ่มฉันทะอย่างแรงกล้าวิริยะความเพียรพยายามในการประคองกุศลจิตตาจดจิตใจจดจอ่อแล้วก็วิมังษามีปัญญารอบรู้นั่นแหละฉันทะวิริยะจิตตาปัญญานี่แหละเป็นเครื่องวัดทานศีลภาวนา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 ศีลหรือมชิมหภาวนาแต่ถ้าหากเป็นระดับของอุกฤษหรือเป็นอย่างปรณีดชันทะเวริยาจิตตาปัญญาระดับสูงเวลาเจริญทานกุศลศีลกุศลเนี่ยและภาวนากุศลก็เป็นปณีตตทานหรือปณีตศีลหรือปณีตภาวน า, นร า, วนาเราท่านทั้งหลายก็ตรวจสอบดูว่าการที่เราท่านทั้งหลายใช้ชันทะกันระดับไหน ระดับต่ำระดับกลางหรือระดับประณีตใช้วิริยาจิตตะปัญญาแบบระดับระดับต่ำระดับกลางหรือระดับประณีตใชไหมการพิจารณาอัฏฐะพิจารณาธรรมะและอัฏฐะเนี่ยเพื่ออะไรในการฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้ยังปลามโมทให้เกิดขึ้นฟังธรรมปรามโมทต้องเกิดขึ้นเมื่อเจาะเข้าถึงคําสอนของพระพูทมีพระพาคเจ้า แต่ไม่ใช่ฟังธรรมแล้วอกุศลเดินได้คล่องขึ้นอันนี้ไม่ใช่แล้วฟังธรรมนั้นสภาพของจิตที่เอิบอิ่มเล็กน้อยต้องเกิดสภาพปีติต้องเกิดสภาพของปัจสถานความสงบต้องเกิดเพราะการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องตัดอารมณ์ภายนอกเรื่องทั้งหลายที่จะทําให้จิตใจว้าวุ่นเนี่ยต้องขจัดความว้าวุ่นในจิตใจนั้นออกให้ได้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 พัฒนาแค่ไหนศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยในกระแสจิตของตนเองตอนนี้กําลังเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรนืฉะนั้นการฟังและพิจารณาแล้วเนี่ยเข้าใจอัตถะคือเนื้อความเนื้อแล้วเข้าใจธรรมะเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกอัตถะเช่นเห็นกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เช่นเราเห็นตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยนะ ของสัตว์ทั้งหลายที่กําลังเป็นไปอยู่อันนี้เป็นผลที่ไหลามาจากเขตคือเจตนากรรมที่เป็นทั้งชนกกรรมเป็นต้นที่เป็นปัจจัยให้กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะั้เป็นไปอยู่ในปัจจุบันพนี้ฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมใช่ไหมไม่พิจารณาเนื้อสาระของพระธรรมแล้วเนี่ยถามว่าอัตถะของพระธรรมจะปรากฏได้อย่างไรในที่สุดจริงๆ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 โทสะอิสามัชริยกุกุจจะเนี่ยก็ไม่เคารพพระรัตนตรยัยคนที่มีโมหะหิริกาโนตปาอุทะจะก็ไม่เคารพพระรัตนตรยัยคนที่ถีนามิธาเกิดขึ้นก็ไม่เคารพพระรัตนตรยัยคนที่วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็ชื่อว่าไม่เคารพพระรัตนตรยัยสรุปก็คือว่าบาปอากุศลธรรมอลามกเกิดขึ้นชื่อว่าไม่เคารพ พระรัตนไตรตรงนี้เขาบอกว่าถ้าพิจารณาอัฏถะและธรรมะเข้าใจอัฏถะและธรรมะโดยเฉพาะเจาะทะลุทะลวงได้เป็นต้นอันนี้แปลว่าการฟังว่ารำเนี่ยเห็นไหมว่าคนที่ไม่พิจารณาก็ถูกตาหนิเพราะเหตุนั้นนั้ น, น, นส่วนคนที่พิจารณาก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นนั้ น, น, นกลุ่มที่พิจารณาก็มาแยกว่า พิจารณาแล้วเข้าใจแล้วพิจารณาแล้วไม่เข้าใจกลุ่มพิจารณาแล้วเข้าใจนี่นะและปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตละธรรมกับกลุ่มที่พิจารณาเข้าใจอัฏถะและธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตลธรรมคือไม่ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นเหตุแห่งการออกจากวัตทุหรือไม่ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นเหตุแห่งการจากบรรลุโลกุตละ หรือไม่เป็นเหตุแห่งการขัดเกลาร์ตัวเองเลยอนั้นกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติฟังธรรมแล้วไม่เป็นเหตุไม่ตั้งหลักในการที่จะเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเพื่อเป็นปัจจัยเก่การออกจากวัฏจุกก็จะถูกตําหนิเพราะเหตุนั้นๆถูกตําหนิอย่างไรถูกตําหนิใช่ไหมถามว่าเราท่านทั้งหลายในสังสารวัตรที่ผ่านมา เราอยู่กลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมเนะเราถูกตำหนิอยู่เรื่อยเราถูกตำหนิเพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมบัณฑิตทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยทรงตำหนิเราพระ อ, องค์ทรงตำหนิเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่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 สาวกสาพุท ธ, ธะปะเจกพุท ธ, ธะและก็สัมมาสัมพุท ธ, ธะถ้าสาวกสาพุท ธ, ธะนี้กลุ่มนี้ปฏิบัติทำเพื่อตนเองนะปะเจกพุท ธ, ธะก็ปฏิบัติทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองนะหมายถึงโลกุตละประโยชน์นะประโยชน์สูงสุดเนี่ยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติทำเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วย และเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญเพราะเหตุนั้นนั้นอย่างสูงสุดหาประมาณไม่ได้เราท่านทั้งหลายได้มานับถือกลุ่มบุคคลใช่ไหมเขาถึงบอกว่าถ้าจะรู้จักบุคคลต้องรู้จักให้ชัดว่าบุคคลไหนเป็นบุคคลที่สูงสุดเพราะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติขัดเกลา เ, เพื่อประโยชน์ของตอนเองพระบระมาศ า, าสดาทำประโยชน์ตนเองให้บรรลุแล้วถ้าจะย้อนกลับไปเสียสงขายยิงด้วยแสนมหากับที่เป็นสุเมธาดาบทเห็นไหมว่าท่านสามารถจะทำประโยชน์ของตอนเองให้จบได้ภายในไม่เกินสีบาทพระคาถาแต่ท่านก็อดใจไว้โดยการไม่ทำประโยชน์ตนนั้นให้สาเร็จณวันนั้น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 ถ้าตัดสินใจเชื่ออย่างแน่นอนวิจิกิชาที่อยู่ในใจนั้นก็มาลายหายไปนะทีนี้เราท่านทั้งหลายถ้าศรัทธาทําไมเนอะเหตุผลว่าศรัทธาเราท่านทั้งหลายนะแม้จึงไม่ค่อยแข็งแกร่งเพราะเพรา ะ, เ, ราะเหตุแห่งการไม่คบสัตบุรุษนะ ฉะนั้นถ้าปรารถนาจากมีศรัทธาเนี่ยนะให้แข็งแกร่งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยหนึ่งท่านควรครบบัณฑิตผู้สามารถสั่งสอนแนะนำสัจจาสี่จนเป็นปัจจัยแก่ ก, การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นได้ท่านผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นสัตธรรมมสวนวนนะท่านต้องฟังพระสัทธรรมของผู้รู้ที่เกี่ยวกับอริยสัจธรรมทั้ง4ก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ และประการต่อมาท่านต้องทําโยนิโสมนัิการคือการใส่ใจการพิจารณารมด้วยปัญญาในก่พิจารณาสังขารธรรมด้วยปัญญาพิจารณาทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลพิจารณาเหตุและผลพิจารณาอนิจจธรรมทุกขธรรมอนัตธรรมและอนัอนตอสุภะนี่นะคือความไม่งามเป็นต้นประการต่อมาก็คือว่าทำมานุธรรมมาปฏิปติการปฏิบัติธรรม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 จะเก็บทานเก็บศีลเก็บภาวนาเก็บอัปจายนะวยาวจะปฏิทานะปตานุโมธนาธรรมสวนาธรรมเทศนาแล้ททำความเห็นให้ตรงเนี่ยตรงเนี่ยนะเราจะเก็บยังไงเราจะเก็บกายสุจริตสามคือการไม่ฆ่าไม่รักไม่บื่พฤติผิดในการมเนี่ยจะเก็บวจีสุจริตสีคือการไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อ จะเก็บมโนโสุจริตสคือความไม่โลภไม่โกรธและปัญญาใช่ไหมหรือไม่หลงเนี่ยจะเก็บสติปฐานสีสมระทานสีอิทิบาสีอินทรีย์าพละห้าโพชฌงเจมรกมีองค์8เนี่ยการจะเก็บคุณความดีต่างๆเหล่านี้ได้นั้นเน่เป็นเรื่องของศรัทธานะั้นรัตนะของพระบรมศาสดาเกลื่อนกลนไปหมดเนี่ยศรัทธาท่านอุปมาเหมือนกับมือ ในการให้ทรัพย์สมบัติอันเป็นโลกียะและโลกุตระสมบูรณ์เพียรพร้อมศรัทธาเหมือนเงินในมือในการให้ผลให้พืชติดผลดอกออกผลก็คือมรรคผลนิพพานศรัทธา ก, ก็เหมือนเมล็ดพืชก็เดิในชั้นข้อมูลรดีกาท่านบอกว่าศรัทธาเหมือนเมล็ดพืชที่ไปเพาะปลูกไว้ในนาที่มีน้ํามีฝนแล้วก็มีปุ๋ยมีการพรวนดินที่ดีเป็นต้น เราท่านทั้งหลายต้องพิจารณานะว่าตอนนี้ตถาคตะโพธิ์ที่ศัทธาของเราท่านทั้งหลายนั้นนะ่ยเป็นอย่างไรก็ตรวจสอบในเรื่องเนี้นะในช่วงเวลาที่มีไม่มากเนะี่ยมามีเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นกับกรณีเห็นคนที่ไม่มีศคนที่มีศรัทธาแล้วทําตนเองให้เสียหายกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็ได้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 พร้อมด้ภิกษุสองโมใหญ่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจําภาษาอยู่ในพระนครกรุงราชครื้ได้เข้าไปหาท่านภาษาบุตรถึงทักขินีทักขีนาคิรีชนบทได้ปราศัยกับท่านภาษาบุตรขั้นผ่านการปลาสัยให้ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็สนทนาสอบถามหนึ่งท่านภาษาบุตรก็ได้ถามภิกษุว่าท่านผู้มีอายุพระบรมศาสดาไม่ทรงพระประชวร ยังทรงมีพระกำลังอยู่หรือนี่ก็ถามความเป็นไปของพระเจ้าว่าตอนนี้พระบระมศ า, ศาสดานั้นยังทรงมีพระสุขภาพแข็งแรงดีไหมเป็นต้นพระก็บอกว่าท่านผู้มีอายุพิคบอกว่าพระผู้มีพระเจ้าไม่ทรงพระประชวรยังทรงมีพระกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุเป็นต้นภาษาดิบุตรถามถึงพระทธเจ้าแล้วก็ถามถึงบอกว่าภิคสูงสงไม่ป่วยไข้และยังดำรงอยู่ดีหรือใช่ไหม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 ของพระเจ้าพิมพิสารก็คือเป็นพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่มีมีกิจในการบริหารบ้านเมืองช่วยพรยาพนดินนั่นเองภาษารีบุตรถามว่าธนันชานีพราหมณ์ที่อยู่ใกล้ประตูตั น, ต, นตุลปาละคือเมืองราชคลื่เนี่ยมีประตูใหญ่อยู่64ประตูเดี๋ยวขอไปมีประตูใหญ่อยู่32ประตูแต่มีประตูเล็กเนี่ยอยู่64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 ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระก็บอกว่าท่านผู้มีอายุที่ไหนทนันชานีพรามของเราจะไม่ประมาทคำว่าของเราในที่นี้แปลว่าเป็นอุบาสกในาศาสนาของพระชินพเจ้านั่นเองเขาอาศัยพระราชาเที่ยวปล้นพวกพรามขึ้นหานบดีอาศัยพวกพรามขึ้นหานบดีปล้นพระราชาปล้นสองส่วนเลยนะเห็นไหมเนี่ย ภรรยาของเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาซึ่งนํามาจาก ส, สกุลที่มีศรัทธานะแต่ก่อนนี่นะตอนนี้ทํากาละแล้วตายซะแล้วเขาได้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเขานํามาจากสกุลที่ไม่มีศรัทธาหวังที่สุดก็จริงก็บอกว่าธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยอาศัยพระราชาปล้นข้าวบัวดีเป็นต้นก็คืออาศัยพระราชาปล้นประชาชนอาศัยประชาชนปล้น พระราชาท่านภาษารีบุทก็บอกว่าท่านผู้มีอายุเราได้ฟังข่าวทนัญชานีพราหม์เป็นผู้ประมาทเป็นอันได้ฟังข่าวชั่วเนาะบอกไม่ใช่ข่าวดีเลยเนี่ยว่าไงเนี่ยนะเป็นข่าวชั่วเป็นข่าวที่ไม่ดีเป็นข่าวที่ฟังแล้วไม่น่าชื่นใจเลยเห็นไหมเพราะฟังแล้วน่าเป็นห่วงทนัญชานีพราหมณ์นั่นเองจากเป็นคนที่มีศรัทธาอยู่แท้ๆก็กลับกลายเป็นคนที่มีไม่มีศรัทธาหรือหมดศรัทธาไปเหตุผล พ ร, กระก็รายงานให้ท่านทราบบอกว่าเหตุผลที่ทนัญชานีพราหม์ไม่มีศรัทธาเพราะแต่ก็ภรรยาที่มีศรัทธานทำการละคือตายไปซะแล้วที่นาํามาจากตระกูลที่มีศรัทธาแต่อยู่ต่อมาเนี่ยธนัญชานีพราหมเนี่ยไปได้ภรรยาคนใหม่กับเป็นคู่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย์ไรพอไม่มีศรัทธาในพระราชนรัย์ไรพอไปอยู่ใกล้ชิดเข้าทนัญชานีพราหมณ์ก็กลายเป็นคนหมดศรัทธาพอหมดศรัทธาตั้งมั่นในพระราชนรัยใน กุศลกรรมบดอกุศลกรรมบทก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมหรือเชื่อก็คลายเสื่อมลงและเพราะความเป็นปุรุชนเนี่ยไว้ใจไม่ได้ไงเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี้ยลองสังเกตดูทีบางวันก็มีศรัทธาบางวันก็หมดศรัทธาบางวัน บ, บางวันก็ตั้งใจในการเจริญกุศลบางวันก็ไม่ตั้งใจเจริญเลยบางวันเห็นโทษโลภะโทสะโมหะมากบางวันเฉยเฉยเนะี่ยโลภะโทสะโมหะเกิดมันก็เป็นปุรุชนแล้วก็พูดกันอยู่อย่างเนี้ย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 ครั้งนั้นท่านภาษาลิบุตรอยู่ในทักคินาคีรีชนบทตามสมควรแล้วจึงหลีกจาริกไปในนครราชครึ่เที่ยวจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครราชครึ่แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านภาษาริบุตรอยู่ณพระวิหารเชตาวันที่สวนที่ใช้เลี้ยงกระแตใกล้พระนครกรุงราชครึ่ครั้งนั้นเวลาเช้าท่านภาษาลิบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรไปยังพระนครราชครึ่ สมัยนั้นธนัญชานีพรามให้คนรีดนมโคที่คอกภายนอกพระนครคือท่านทำธุรกิจเรื่องฟาร์มโคนมด้วยเป็นเป็นผู้ใหญ่ในราชสานักด้วยแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยมีธุรกิจส่วนตัวด้วยท่านภาษาริบุตรก็เที่ยวบินทบาทในกรุงราชคือภายหลังพัดกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปหาธนัญชานีพรามถึงที่อยู่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 เห็นไหมโลภถ้าครบกรรมบทหรือหรือไม่ครบกรรมบวเป็นปัจจัยนะถ้าครบกรรมบวชเป็นปัจจัยแกอบายทุกขติวินิบาตในะโลกเป็นต้ น, ตนเหล่านี้โกรธและล้มหล ง, ล ง, ลงเป็นต้นในรายละเอียดพระภาคบ่ายจะมีการสนทนาในเรื่องเหมเรื่องกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบวในชั้นของรายละเอียดเลยนะเจาะรายละเอียดเข้าไปทุกข้อทุกมุมนะเพราะเพราะได้สนทนากันมาหลายรอบแล้วก็จะใช้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 แต่ถ้าหากว่าเจอกลุ่มของกุศลกรรมบทน่ะท่านจะเหยียดตรงเหมือนกับเพดานแปลว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ยอมให้กุศลนั้นหลุดไปจากใจเลยใครก็ไม่สามารถจะทำให้จิตใจของพระโพธิศักรเนี่ยถดถอยได้หรือถดถอยจากกุศลได้แต่ถ้าเป็นบาปอากุศลธรามอาลามกเนี่ยท่านจะเดินหนีทันทีท่านจะขดหนีทันทีท่านจะพราหนีทันทีเนยนะ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 พอถึงวันที่หเท้าสกะทนไม่ไหวลงมาขวางบอกว่าท่านก็รู้ว่าน้ำในมหาสมุทรนี่ยิ่งใหญ่สักบานใดท่านจะทำไปทำไมความกว้างความลึกของมหาสมุทรยากที่จะยังถึงท่านอย่าทำเธอหยุดทาดีกว่าพญากระแตก็บอกว่าท่านจงหลีกไปเถอะเราไม่ปราถนาจะปลาใสากับคนที่เกียดค้านหรือคนที่ไม่มีความเพียรเพราะเราได้สมาทานตั้งมั่นแต่แล้ว จะว่าแต่ท่านเลยบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านนะนะจะว่าจะเป็นมารเป็นพรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ขวางความตั้งใจในการเจริญกุศลของเข้าไปเจ้าไม่ได้ท่านจงดูเราเธอเรานี่แหละเจวิตมหาสมุทรแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยสํานวนคืออย่างนั้นนะ่ยโดยอัฏฐะนะโดยสํานวนนะ่ยนนนะจะต้องจะต้องทําให้สําเร็จจงได้ท่านจงดูเนี่เราไม่ยอมเราไม่ยอมถอยจากกุศลหรอกก้าวเดียวก็ไม่ถอยเราอย่างนั้นไหม นั่นคือความตั้งมั่นในกุศลธรรมอย่างอย่างยิ่งท่านใช้คําว่าตั้งมั่นในอธิกุศลอะไรคืออธิกุศลถ้ากรมมาวาจรนะถ้ามหากุศลจิตแปดเป็นมหากุเป็นกุศลกุศลกรรมบว10ิบเป็นกุศลใช่ไหมการไม่ฆ่าไม่ลักเป็นต้นนะเป็นระดับ ม, มหากุศลโูปาวาจรเป็นอธิกุศล ถ้ารูปราวจรห้าเนี่ยเป็นกุศลอรูปราวจรสี่เป็นอธิกุศลเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้น ห, หรือถ้าสาวกโพธิญาเนี่ยเป็นกุศลปัจเจกับโพธิญาเนี่ยเป็นอธิกุศลถ้าสาวกโพธิญาปัจเจโพธิญาเป็นกุศลสัมมาสัมโพธิญานเนี่ยแหละเป็นอธิกุศลนี่แหละท่านตั้งมั่นที่สัมมาสัมโพธิญาโ น, น่นเห็นไหมตอนที่ท่าน เป็นมหาชนกพระมหาชนกอที่ว่ายข้ามมหาสมุทรนางเทียบทิดา ม, มาบอกว่ามหาสมุทรลึกมากกว้างมากลึกด้วยกว้างด้วยท่านเพียนก็ไม่ถึงจกเพียนไปทำไมเพียนแล้วท่านได้อะไรท่านก็บอกว่าเพียนแล้วท่านได้คนที่ไม่เพียนตายกันหมดคนที่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 โดยอาาัฏฐะโดยเนื้อความโดยสาระความหมายเราต้องเข้าใจว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ยอมถอยจากกุศลนั้นถ้าหากว่าเป็นกุศลแล้วท่านจะท่านใช้คําว่าทันหังนะ่ะคือยึดมั่นนะ่ยสมาทานนยึดมั่นอย่างมั่นคงไม่ถดถอยเหมือนเพดานที่เหยียดตรงเพดานน่ยถ้าตรงแล้วนี่นะไม้เพดานเนี่ยตรงแล้วทําให้หักไหมถ้าไม่งอไม่ได้นะ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 ท่านผู้มีอายุเราได้ฟังธนัญชานีพรามณ์เป็นต้นเหล่นี้บอกข่าวนี้เป็นข่าวชั่วเป็นข่าวที่ไม่ดีนะท่านก็เลยบอกว่าบอกว่าธนัญชานีพราม์ได้ตอบว่าข้าแต่ท่านภาษาราบุตรที่ไหนข้าพเจ้าจะไม่ประมาทเห็นไหมดูท่านดูนะเหมือนมีเหตุผลนะเพราะข้าพเจ้าต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรคนรับใช้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 เพื่อพระราชาแม้กายนี้ก็ต้องให้อิ่มหนำต้องเจริญเห็นไหมท่านทานานชานีพราหมณ์อ้างเหตุผลว่าทําไมตนเองต้องทําชั่วทําไมคืออย่างนี้ทานานชานีพราหมณ์เนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บภาษีอะเก็บสวยภาษีอากรเนี่ยนะจากประชาชนกโ็โดยมากก็คือว่าออกคนในกรณีที่ว่าเป็นตัวแทนของพระราชาเ น, นี่ยของผู้ผู้นําประเทศแต่ละประเทศนั่นแหละ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 เพราะว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศไม่ค่อยดีแล้วฉะนั้นจึงมีความจําเป็นในการที่จะต้องขึ้นภาษีอากรใช่ไหมจาก 5% อร์ขึ้นเป็นเดเเซ็นบ้างหรือจากเจขึ้นเป็นส 5% เปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเพราะว่ามีความจําเป็นฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนั้นต้องช่วยกันเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมและพระราชามีโครงการหรือผู้นําประเทศมีโครงการระดับใหญ่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 สวเก็บภาษีขึ้นแต่พอเก็บมาได้ไปเสร็จก็ไปรายงานในที่ประชุมนะกับพระราชาบอกว่าปีนี้ฝนแรงปีนี้ประชากร อ, อดหยากเยอะฉะนั้นฉะนั้นจึงไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายาไม่สามารถจะเก็บได้ตามเป้าหมายสรุปแล้วเนะี่ยโกงประชาชนใช่ไหมช่อลาดบางหลวงโกงประชาชนด้วยแล้วก็ไปโกงพระราชาด้วย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 ถ้าผู้นําประเทศจะไปในที่ไหนผมก็ต้องจ่ายนะทรัพเนี่ยในจะต้องเกณฑ์นคนมาต้อนรับเนี่ยมันเป็นเรื่องเงินทองทั้งนั้นอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยจะออกค่ารถค่าลาทั้งหลายอะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพทั้งนั้นเยอสมมุติอย่างเงี้ยอันนี้กรณีอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งนะกายนี้ของข้าพเจ้าก็ต้องเป็นอยู่มันก็ต้องกินต้องใช้สรุปก็คือว่า ธนัญชานีพราหมณเนี่ยอ้างเหตุผลมาเพื่อให้เห็นว่าน่าเห็นใจที่ต้องทําอกุศลมีการคดโกงเป็นต้นเพราะมันมีเหตุจําเป็นคิดว่าภาษาลิวุจะตอบอยังไงถ้าเป็นอย่างเราไปเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมาถามเนี่ยเราจะตอบได้ไหมเนี่ยเราจะตอบอยังไงแล้วเขาบอกเออน่าเห็นใจใช่ไหม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 คือถ้าเขามีคุณธรรมนะครับมีเมตตากรุณาเขาควรสละตำแหน่งนี้เขาต้องรู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องทำแบบนี้ซึ่งเป็นการโกงประชาชนเออเอาเงินระษีเนี่ยไปใช้ส่วนตัวเจนี้ต้องเรียกว่าในชีวิตส่วนตัวในฐานะเออใช้ตำแหน่งก็ไม่สมควรทำแล้วก็ต้องออกจาก หมาคามตำแหน่งนี้สลับไปตำแหน่งไม่มีความหมายคุณควรทำอุษุน ร, รมมะบบกมรมบุตรสิบแล้วก็ผมมีตอบแค่นี้ตอนนี้ตรงนี้นะถ้ามองอย่างนี้ท่านก็ของอภรณ์นาในเะขามีคำตอบเอท่านภาษารีบทก็บอกทันนันชา น, นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นจะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ใช้ทั้งโลกเลยนะเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบทำประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบีดามารดา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 ท่านนันชานี่ก็ไม่เช่นไม่ใช่เช่นนั้นท่านภาษาริบที่แท้ท่านผู้นั้นจะต้องค่ําครวญมากมายในญาบาลก็พึงโยนลงนรกอยู่ดีจะค่ําครวญร้องไห้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ถูกโยนลงนรกหรือถ้าหากบอกว่าอีกข้อหนึ่งภาษาริบทก็ถามบอกว่าบอกว่าท่านจะเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรบุคคลที่ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเนี่ยด้วยพวก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 ที่เขาทาผิดไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยเพราะต้องดูแลมิตรอมาดเยอะมากในราชสํานักเออขออภัยนะในในในในระดับผู้บริหารทั้งหลายเราเนี่ยหรือระดับมิตรหมาดเหล่านั้นจะไปขอร้องนายเนียบานเนี่ยบอกว่าอย่าได้ฉุดฆ่าไปเลยท่านผู้นี้ไปนรกเลยเพราะท่านทําเนี่ยเพราะพวกกระผมเป็นต้นท่านก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยจะร้องให้คําคุนทั้งสองฝ่ายยางใดก็ถูกฉุดฆ่าลงไปในในรกอยู่ดี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 ที่เราทําบุญอุทิศให้เนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะไปขอร้องนายนิยบาลได้ไหมว่าท่านอย่าสุดุดั่าท่านวันี้ไปลงนรกเลยที่ท่านวันี้ทําชั่วเนี่ยนะต้องคดโกงทั้งหลายได้ทรัพย์มาทั้งหลายเหล่านี้ยพราะเหตุแห่งการต้องดูแลต้องทําบุญได้มาต้องมาต้อนรับแขกได้มาก็ต้องมาทําบุญได้มาก็ต้องมาเลี้ยงมิตรอมาด ได้มาต้องมาทําบุญอุทิศให้กฐเทวดาและเปรชนทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้บุคคลที่ร่วงล้าไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งถ้ามองดูจากรูปกาฟแล้วท่านผู้นี้ที่เลี้ยงตนเองเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองที่ซุกหัวนอนก็มีนิดเดียวเท่านั้นแหละกินได้แค่วันละมืดนิดนิดหนหน่อยสอมือ้อสา ม, มื้อเท่านั้นเองไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยวันวันหนึ่งก็ขยันขันแ ข, ข็งไม่ได้รับได้นอนเท่าที่ควรเลยเนี่ย ก็เพื่อประโยชน์แกบุคคลอื่นทั้งนั้นที่ตนเองต้องทําผิดไปเนี่ยขอนายนี้และ น, นิรยาบาลเนี่ยอย่าได้ฉุดฆ่าผู้นี้ไปในโลกเลยหรือให้ประชาชนทั้งแต่และทั้งโลกใบนี้นะไปขอร้องนายเนียาบาลเนี่ยจัดได้ไหมทนัญชานี้ก็บอกว่าไม่เช่นนั้นเลยไม่เป็นเช่นนั้นเลยต่อให้ประชากรทั้งโลกไปขอร้องนายเนียาบาล บอกว่าอย่าทําเลยอย่าทํำผู้นี้เลยนายเนี่ยบาลก็จะไม่ยอมก็จะต้องฉุดฆ่าพู้นี้ไปลงนรกลงเอาไว้นะอาบายทุกขติวินิบาต์นรกอยู่ดีตรงนี้พอพูดในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าท่านพระสารีบุตรเมื่อกล่าวเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่า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 ผิดธรรมนั้นไม่ประเสริฐเนี่ยภาษารีบุตรก็บอกธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบได้ทำเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงกายและทํานุบำรุงกายได้ไม่ต้องทํากรรมละมกหนมีเห็นไหมสรุปก็คือทุกข้อเนี่ยสรุปก็คือว่าภาษารีบุตรก็เตือนตรงๆเลยนะบอกว่าบุคคลประพฤติในกุศลกรรมรบท10นี่นะคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคาหยาบและเพื่อเจือไม่โลภไม่โกรธ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 ให้กุศลเจริญกุศลทุกข้ออย่าอ้างเหตุเอาพ่อแม่อย่าอ้างเหตุเอาบุตรภรรยาอย่าอ้างเหตุเอาท้าศกรรมกรอย่าอ้างเหตุเอาญาติสายโลอยหิตหรือมิตรอาหมัดหรือตลอดถึงระดับผู้นำทั้งหลายมาเอาเป็นเหตุแห่งการกระทํากรรมชั่วหรือกรรมที่ลา ม, มกเลยและให้ปฏิบัติปฏิบัติทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นบุญก็หมายความาให้เจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอภิญญยายนะวทยวจะปฏิทานะปตานาุโม ท, า น, าทานาให้ฟังธรรม ให้กล่าวพระธรรมแล้วก็ให้ทําความเห็นให้ตรงในทุกข้อการงานอย่างนี้มีอยู่เนี่ยพอพูดอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วทนัญชาญิพานก็ชื่นชมภาสิตของพันุสารีบุตรแล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปอันนี้ก็แปลว่ากลับลําได้แล้วเห็นไหมเนี่ยคือถ้าเรามองนี้จะเห็นชัดว่านี่ไงการโค บ, บัณฑิตเมื่อขคพระเจ้าเบียเสร็จแล้วเนี่ยไหนี่พระเจ้าไม่ทิ้ง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 เช่นไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคําว่าพระพุทธเจ้าออให้ได้ยินเลยเนี่ยเราจะทําอย่างไรถ้าท่านทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในกุศลธรรธมอย่างหนาแน่นอย่างเหนียวแน่นหรือถ้าให้ประทับกุศลธรรธมเหมือนที่ยมกิ่งการพูดบ่อยๆว่าถ้าไม่ประทับให้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะไปอยู่ในภพใดก็แล้วแต่เนี่ยจิตใจก็ตั้งมั่นในกุศลธรรธมไม่หวั่นไหวได้อะต้องทําให้ได้อย่างนั้นนะ สำหรับผู้เดินทางไกลทั้งหลายเอางี้นะว่าท่านพระรัตปาระเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาแสนกับใช่ไหมพระรัตปาระเนี่ยท่านเป็นชาวเด ล, ลีปัจจุบันเนี่ยคือ้านกุลุใช่ไหมอยู่แฟนกุลุ สถานที่ที่ญาติมิตรยอมสุวรรณไปเกิดเยอะๆนี่แหละที่ไปเรียนจบมานี่แหละใช่ไหมเพราะอยู่ที่ฟานกุลุพระเจ้าโกรพยาปกครองช่วงนั้นฉะนั้นพระรัตปาลาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาตอนสมัยพระเจ้าองค์ก่อนเมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ยนะท่านก็ บําเพ็ญบารมีท่านก็ได้เจอพระเจาก็ได้เห็นใช่ไหมได้เห็นกุลบุตรที่ได้ฐานะเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาของพระจินเจ้าในยุคนั้นนะท่านก็ตั้งอัธยาศัยปรารถนาใช่ไหมท่านก็ตั้งอัธยาศัยปรารถนาท่านมีเพื่อนอยู่สองคนเนะี่ยก็ปรารถนานะต่อมานี่นะต่อมาท่านทำบุญอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นเท้าสากายคนหนึ่งมาเกิดเป็นิญานาคนะ่ะ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 บวชอย่างนั้นนะคิดว่าเราจะบรรลุวันนี้เราจะบรรลุวันนี้เราจะบรรลุวันนี้นะนะเพียนขนาดนี้นะใช้เวลาอยู่สิบสองปีคิดว่าจะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้เนี่ยเนื้ญาบุคคลเป็นแบบนี้จะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้บรรลุเราคิดแบบนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ได้อาจจะคิดอย่างนี้อาจจะเป็นลร้รอยกับพันกับหมืน่นกับอะไรก็แล้วแต่นะ แค่คิดแบบนี้นะอย่างเงี้ยดีเราจะต้องบรรลุให้ได้วันนี้อันนี้หมาให้กลุ่มนักบวชนะเนยถ้าคารวะคงไม่ค่อยมีเท่าไหรมันคิดเราจะต้องหากินวันนี้นะถ้าคิดอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมถ้าคิดจะบรรลุวันนี้นี่ไม่ค่อยมีหรือยอมเหลียงคิดอย่างงั้นป่ะเป็นไงศรัทธาหายไปบ้างบ้างะยังมีเหลืออยู่ป่ะเห็นหน้าเคสขี้แยดอ๋ออ๋อแต่ต า, ายังมีอยู่นะ ตรงนี้ก็คือว่าต่อมาก็ป่วยเนี่ยเพอป่วยเบียเสร็จก็สั่งบุรุษมาบอกให้ไปเฝ้าพระเทเจ้าท่านจงเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยเสียงกล้าตามคําของเราว่าข้าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญธนัญชานีพราหมณ์อาพาธได้รับทุกเนี่ยไหมเนี่ยนอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้ตายแล้วนี่คิดถึงวันยาวแล้วเป็นไข้หนักขอถวายบังคมบาดพระบรมศาสดาด้วยเสียงเกล้า และจงเข้าไปหาท่านภาษาริบุตรถึงที่อยู่แล้วก็ไปไหว้เท้าท่านภาษาริบุตรตามคำของเราว่าท่านข้าแต่ท่านบูเจริญทนาญชานีพรามอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาได้ไหว้เท้าท่านภาษาริบุตรด้วยเสียงกล้าวแล้วก็เรียนท่านอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านบูเจเรนข้าพระเจ้าขอโอกาสขอท่านภาษาริบุตรน่ยจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปนิเวศของทนาญชานีพรามเถิดลูกน้องก็เข้าไปเข้าไปเฝ้าพระเจ้ารายงานให้ทราบว่าทนานชาณีพรามป่วยเป็นไข้หนัก แล้วก็ไปบอกภาษาราบุตรตามคําของนายเมื่อบอกเสร็จเส็จก็ราตนาภาษาราบุตรบอกว่าให้ไปนิเวศคือที่บ้านเนี่ยรื่องหาดของทนัญชานีพราหมณ์ด้วยลูกน้องก็ทําตามนั้นแหละท่านภาษาราบุตรก็รับอาตนาโดยอาการดุษณีภาพลําดับนั้นท่านภาษาราบุตรนุ่งแล้วถือบาทจีวรเข้าไปยังนิเวศของธนัญชานีพราหมนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย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 ตอนตอนเบ็ดเสร็จยังไม่ทันกลับมาเลยนะพระเจ้าประชุมสงฆ์แล้วบอกว่าสารีบุตรยังท <c oughs> ํากิจไม่เสร็จเพราะสารีบุตรทํากิจไม่เสร็จเนี่ยสูตรนี้ภาษารีบุตรต้องเหาะตามไปนะประเทศต่อนี่คือทํากิจไม่เสร็จแต่เรียบร้อยแล้วไปสอนอริยสัจเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นสูตรนี้จึงไม่ใช่สอนธนัญชาญีพรามณจึงต้องสอนพวกเราโดยแท้ใช่ไหมสอนพวกเราโดยแท้เลย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 ท่านันชานีพราหมณ์จะตายภาษาลิบุตรก็ไปโปรดเหมือนกันแสดงว่าสูตรสำหรับคนใกล้ตายเนี่ยต้องเป็นสูตรที่ภาษาลิบุตรแสดงน่าจะเหมาะน่าจะเหมาะมากใช่ไหมนั้นท่านทั้งหลายจาสูตรเหล่านี้ก็ว่าใช่ไหมอนาถาปิทีิโกวาทะสูตรบ้างทานันชานีสูตรเป็นต้นบ้างเออเป็นสูตรเอาไว้สาธยายใกล้ตาย เพราะคนฟังใกล้ตายได้ได้ความอิ่มใจอะ่ะตายแล้วมีสุขติอะ่ะแล้วโดยเฉพาะสูตรเนี้คนคนใกล้ตายฟังแล้วเนี่ยจเจริญเจริญพรหมวิหารเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมได้เลยไม่ธรรมดานะสามารถคมทุ ก, กเวทนาจเจริญพรหมวิหารได้เนี่ยแสดงว่าสูตรนี้จะต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งใช่ไหมเพอิอนเราอ่านไม่ค่อยลึกแค่นั้นเองมาเจอครูบาอาจารย์บรรยายอน่ า, าก็ไม่ค่อยลึกนั่นเองใช่ไหม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 อันนี้ก็เชิญชวนให้ศึกษาว่าตะไรพีดอกในสูตรนี้เป็นบุญนะเทีนี้ตนานชานีพามก็กราบเรียนบอกว่าอาการเนี่ยทวีขึ้นไม่ลดลงข้าแต่ท่านภาษาราบุตรเปรียบเสมือนบุรุษที่มีกําลังเอาเหล็กแหลมคมมาใช้ศรีรษะของข้าพเจ้าฉันนั้นเนี่ยชันใดข้าพเจ้าก็เป็นชั้ น, นั้นเหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงศีสากแทงก็ไปเสื้อลมก็เสียดกล้าที่ศรีรษะข้าแต่ท่านภาษาราบุตรข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้ว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 ถามว่าถ้าเราทุกขเวทนากล้าอย่างนั้นจะทํำยังไงยากระชีดไม่อยู่โมฟีินก็เอาไม่อยู่อ้ทาทาําไงทําไงร้องส่งเลยร้องร้องไปสิก็ทุกอะ่ะแต่ร้องเป็นโทษสารนะท่านบอกทนไม่ไหวแล้วเ <c oughs> <c oughs> วทนาในศรีรษะของข้าพเจ้าเหลือทนข้าพเจ้าทนได้ไหวยังชีวิตให้เป็นใบไม่ได้พอพูดตรงนี้ก็น่ากลันกนลนะวนิดนึงย่อมว่วัดว่าไง เตรียมตัวหรื อ, อยังว่านอนที่เตียงใกล้ตายจะเอาสูตรไหนไปพิจารณาเ <c oughs> <c oughs> ตรียมไม่ยัง <c oughs> เราจะสูตรไหนตอนที่เรานอนในเตียงคนไข้ใกล้ตายเราจะเอาเอาอะไรเป็นอารมณ์วางแผนไว้หรื อ, อยังจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ดี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 สัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉานอะไรดีกว่ากันเห็นไหมยิงมุมถามเลยถามเลยเร้อนมากใช่ไหมเอาสัตว์นรกกับสัตว์เดรัจฉานอะไรดีกว่ากันเห็นไหมถามเลยเพราะสัตว์นรกเนี่ยร้อนมากนะก็เล่าแท้ที่จริงถ้าในสูตรเนี้ยท่านขยายนรกให้ดูท่านขยายว่าเอาเวจีร้อนยังไงใช่ไหมการาศูตรตักนรกสังคาตานรกสันชีวานรกไหม โรลุวะมหาโรลุวะนรกเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะคือขยายเรื่องทุกขสัจจะอย่างแรงให้ดูเลยว่านี่เป็นอย่างงี้แล้วกษัตริย์เดชานอะไรดีกว่ากันเพราะงั้นก็ขยายองภูมิสัจเดชานนี่เริ่มขยายทุกขสัจแล้วให้ดูแล้วแค่เนี้ยไอความร้อนในใจเล็กน้อยไปไหมเริ่มน้อยแล้วโอ้โหถ้าอย่างนี้น่ากลัวสุดแล้วน่ากลัวสุดๆดแล้วเล่นเอานรกที่ยังจะจัดไม่ดูนี่ไง การชั่วทั้งหลายเนี่ยทำไปสิใช่ไหมอบายทุกข์ติมีอยู่จริงอย่างเงี้ยเบสเก็ตเกีเรื่องสัตว์เดรัจฉานถามถามธนัญชานีพามธนัญชาญีพามกับสัตว์เดรัจฉานดีกว่าสัตว์นรกท่านภาษารีบุตรบอกประฟองเสร็จแล้วรู้เลยใช่ไหมบอกว่าสัตว์เดรัจฉานต้องดีกว่าทุกน้อยกว่าด้วยก็ถามต่อไปแต่เนี้ยเอาพรบะสดปิตินิสวิสัยกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบอกอย่างไหนจะดีกว่ากัน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 อย่างนี้เป็นต้นแต่บางกลุ่มก็ได้ในมรณาสันนิการก็สามารถนําอารมณ์ที่ดีไปประถืบปฏิสนธิเปลี่ยนภพชาติใหม่อย่างนี้ก็มีแต่สัตว์เดรัจฉานี่ยากนักใช่ไหม ย, ยากนักจะสามารถทําอย่างสัตว์เดรัจฉานแบบไหนเดียตายจากสัตว์เดรัจฉานฟังสุรเสียงของพุทธเจ้าแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยอะไรนะฮะ ม, นะ ม, มันดูกาเทพปรตรุนะมันดูกายมันดูการเทพบุตรุไงถามว่ามันดูกาเทพประบุเนี่ยฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้านะเข้าใจไหมไม่ได้เข้าใจเลยเลยนะไม่ใช่เข้าใจเลยนะฟังเบสิกก็เพอเอิญ น, นะมีมีไม้ไม้กระบองกดศีษาตายแค่นั้นเองแปลกพอดีเลยในขณะนั้นนะ่ะพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าประดุดดังเสียงนกกาละเวกใช่ไหมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสแสดงธรรมนี่นะ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 เปิดกงทองอธิษฐานก็บอกขอว่าให้นกกระเวกนะ่ยมายืนอยู่บนไอ้กงทองนี้เธอเพรางั้นเธอที่สุดจริงๆเนี่ยด้วยด้วยอำนาจของพระราชานะั้นน่ะนกกระเวกก็เลยต้องมามาจับอยู่ที่กงทองนั้นนี่นกกระเวกก็ไม่ยอมร้องใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินก็ถามบอกว่าอปกตินกเนี้ยจะร้องเพราะเหตุอะไรก็บอกอ๋อต้องเห็นหมู่ยะหมู่เพื่อนๆนะหมู่พวกพ้องหมู่ญาติที่ว่างั้นก็เลยให้ทําที่อยู่เอากระจกมาล้อม ล, ล, ล้อมเขาไว้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 ตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็ถามบอกว่าปิติวิสัยกับกาเนิดสัตย์เดชะเนี่ยทนานชานีก็บอกประเสริดีกว่าสัตย์เาชะท่านภาษาริบุตรก็ถามไปตามลําดับบอกว่าปิติวิสัยกับมนุษย์เนี่ยอย่างไหนจะดีกว่าการนี่ยไปต้องตอบเ น, นรายละเอียดก็มนุษย์ก็ดีกว่าก็ถามมนุษย์ก็จะเทวดาชั้นจาตุมอา้าวเทวดาชั้นจาตุมดีกว่าจาตุมกับยามาใช่ไหมฮะเออเตวะติงสาเตาวะติงสาก็ดีเตวะติงสากับยามาก็ไล่ไปตามลําดับ ถึงปรานิมิตสวัสดีแล้วกรถามว่าปราิมิตสวัสดีกับพรหมบอกพรหมดีกว่าท่านแกก็บอกโอ้พรหมดีกว่านี่นะในส่วนจริงภาษาลีบุตรก็โอ้เนี่ยท่านภาษาลีบุตรพรหมโลกท่านภาษาลีบุตรพรหมโลกภาษาลีบุตรกับพรหมมาโลกหรือย่าเป็นต้นอะไรเนี่ยนะภาษาลีบุตรก็แสดงโอ้พรหมนี่พรามนี่คงชอบปฏิปทาหขนทางไปเกิดเป็นพรหมมั้งเนี่ยนะก็แสดงพรหมวิหารธรรมพอแสดงอะ พรหมนี้ก็กําหนดไปตามลําดับในส่วนจริงก็เจริญเมตตากรุณามุ้ทีตาแล้วเวรขาภัยบุญอันหาประมาณไม่ได้ข้าแต่ท่านภาษารด้บุตรท่าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทพระบรมศาสดาด้วยเสียงก้าตามคําของของ้าพเจ้าถือว่าทนัญชานีพราหมณ์ป่วยได้รับทุก์เป็นไข้หนักขอถวายบังคมบาทพระบรมศาสดาภาษาได้บุตรได้ประดิษฐานทนัญชาญีพราหมณ์ไว้ในพรหมโลกชั้นต่ําในเมื่อ ยังมีกิจที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นได้แล้วลุกจากอัศนะไปทันใดนั่นเองท่านพระสารีบุตรหลีกไปไม่นานทนัญชาณีพราหมณ์ก็ทํากาละแล้วไปเกิดในพรหมโลกเห็นไหมข่มทุกเวทนานนะจเจริญพรหมวิหารได้เลยไปเกิดในพรหมโลกเลยตรงนี้นี่แหละภิกษุทั้งหลายสารีบุตรได้ประดิษฐสถานทนัญชานีพราหมณ์ไว้ในพรหมโลกชั้นต่ําในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นอีก แล้วลุกจากอาสนะหลีไว้เลยพุทธเจ้าสิ่งตรงเนี้แล้วต่อมาก็มีเหตุที่พุทธเจ้าติ้งท่านภาษารีบทด้วยนะและที่สุดภาษารีบทก็ไปแสดงธรรมนี้นี่รายละเอียดตรงนี้ก็คือต้องการชี้ประเด็นสรุปเนี่ยนะให้เราได้ฟังก่อนที่ช่วงบ่ายเราจะจะมีการสนทนาพระ2รูปนี่เนะี่ยสนทนากันในเรื่องของกุศลกรรมบทก็จะเาเกี่ยวกันในเรื่องประเด็นตรงนี้ แล้วก็จะเอากลุ่มในเรื่องของมหาปุริสุรคณาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อมโยมงในเรื่องของการเจริญกุศลกรรมในที่ต่างๆมาสะทายายในเชิงเจาะประเด็นต่างๆเหล่านี้เพื่อจะทาให้เราท่านทั้งหลายได้มีความตั้งมั่นในกุศลธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงเช้าเราก็ได้ฟังเกี่ยวกเรื่องของ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 สิทธิในการที่ได้ฐานะด้วยความเป็นมนุษย์ในการที่จะได้ฐานะด้วยความเป็นเทวดาทั้งหลายก็จะสิทธิตรงนั้นได้ด้วยเหตุปัจจัยของบุคคลนั้นต้องทาเองไม่ใช่ให้ใครมาทำให้เราต้องทำนะต้องทำให้เกิดที่มีขึ้นโดยการเจริญไปตามคำสอนของพระเจ้านี้ก็สมควรเกินเวลาอยู่นะอา้าวมีใครจะถามอะไรไหมห้นาที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 กรณีการใกล้ตายจะมีจิตที่เป็นกุศลได้กบตัวนั้นได้มีโอกาสเป็นบรรมันดูกะเทพประบุเพราะเพราะพระสุรเสียงของพระเจ้าแม้จะพูดแล้วก็เป็นบุญอย่างแม้จะอย่างเนี้ล้านในหนึ่งหรือร้อยล้านในหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้ฟังพระสุรเสียงแล้วตายในขนาดนั้นทันเียใช่ไหมได้ฟังสุรสีพระสุเสียงของพระเจ้าแล้วตายในขนานั้นน่ะ กุศลที่ยังไม่ได้ช่องก็ได้ช่องเลยนําปฏิสนธิเลยตนเองตกใจเลยเอ๊เมื่อะกี้ยังมีสีขาเดี๋ยวนี้วิมานเต็มมีเทพมีนางเทพอักษระแวดล้อมเต็มไปหมดเลยยกมาทั้งวิมานมาฟังทำแล้วได้บรรลุเลยพวกนี้น่าชื่นใจมากใช่ไหมเหมือนเงี้ยฟังทำไปเงี้ยเกิดใจขาดปุ๊บเงี네้ยได้ดีเนี่ยนะแล้วเรื่องกลับมารายงานหน่อย <laughs> <laughs> เขายังเขายังจัดการไม่เสร็จเลยเนี่ยนะ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 ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเวลาเราไปสาธยายเนี่ยถามว่า <c oughs> หรือการก่าวพระธรรมเนี่ยเราตั้งอัธยาศัยยังไงตั้งอัธยาศัยในกรณีอย่งการที่จะเข้าใจอัฏฐาและธรรมะนั่นแหละในสูตรหนึ่งนะที่นางนันทมารดาเธอสาธยายพระธรรมตอนใกล้รุ่งถ้าที่จริงก็อยู่อาจจประมาณที่สองเนี่ยนะเธอสาธยายปราย ปรายนตนาสูตรปรายนาสูตรเป็นสูตรที่สาธยายเกี่ยวในเรื่องของการปฏิปัาเพื่อจะให้ถึงฝั่งคือพนิพานนี่แหละนางสาธยายไ ป, ไปตามลดับนะจริงๆคือนางได้บรรลุนางได้บรรลุได้สามมรรคเนยได้เป็นผ้านาคาวันนั้นน่ะท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายเหล่านี้ ก็มายืนพร้อมได้บริษัทไปกิจบางอย่างได้ยินเข้าก็ยืนยืนบันนมมือฟังพอฟังเสร็จปุ๊บท่านก็สาทุพี่หญิงสาทุพี่หญิงสามครั้งนนะถ้าถามว่าว่าเวสวรรณเนี่ยมีอายุ9้าล้านปีนี่นะแต่ทำไมมาเรียกทำไมมาเรียกนั้นนางนันทามารดานเนี่ยเรียกพี่หญิงเหตุผลที่มาเรียกในลักษณะอย่างนี้เรียกพี่หญิงพี่หญิงเนี่ย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 มีชื่ออะไรเป็นต้นท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าท้าวเวสวรัน์บอกเป็นพรเจ้าแผ่นดินปกครองอยู่ในจารตมหาราชเนี่ยว่า ง, งั้นพระเอิญวันนี้มีภารกิจในกรณีการตรวจเยี่ยมใช่ไหมบริษัทบริวารเป็นต้นเหล่าเนี้เออเดอะผ่านมาทางนี้ได้ยินพี่หญิงเนี่ยแม้สาทยายปรานาสูตรเนี่ยฟังแล้วเพราะซาบซึ้งมากอ๋อท่านเป็นพรเจ้าแผ่นดินหรือในทธนองเนี้ย ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ขอเอาธรรมะคือปรายนา์เสนี่แหละเป็นธรรมะบรรณาการต้อนรับท่านบอกวบอกโอ้สาสตูใหญ่ก็เลยบอกว่าก็เลยพูดอีกครั้งหนึง่งบอกว่าถ้าถ้าพี่หญิงจะเมตตาเนี่นะบอกงั้นจะเมตตานี้วันพรุ่งนี้ท่านภาษารีบุตรกับพระโมคคารนะพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่จกมาหน้าที่นี้ภิกษุสองหมู่ใหญ่จะมีภาษารีบุตรพระโมคคารนะเป็นประมุกนี่นะเป็นประธานนี่จะมาหน้าที่นี้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 ถูกพระราชาเนี่ยสเร็จสั่งประหารชีวิตกำลังมาทุบมาตีก็ดีกำลังจะสำเร็จโทษแม้กำลังประหารก็ดีใจของนางไม่เคยหวั่นไหวเลยคือไม่เคยหวั่นไหวเลยเวยงั้นเยังมีจิตใจที่เป็นไปปกติเรียบแล้วก็มีความไม่สะทกสะท้านด้วยแล้วก็ไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งเป็นต้นเลยเนี่ยนี่นีประการที่สองประการที่สามก็คือสามีของนางเนี่ยตายตายไปนตายไปแล้วไปเกิดเป็นยักษ์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 ใช่ไหมถ้าอย่างนี้เหมือนนางสุปว่าสา อ, อื่นเหมือนนางมาริกาใช่ไหมเหมือนนางมาริกาที่ภรรยาของพันธุราเสนาวดีนั่นแหละซึ่งว่าพระเจ้าประเซนที่โกศลสลําเร็จนะที่ว่ามีการสั่งฆ่าหรือให้คนไปรอบฆ่านั่นเองพร้อมได้บุตรอีกสามสิบสองค น, นตายในสนามรบตอนนั้นน่นนางมาริกาพร้อมด้วยบริวารของตอนเองแล้วก็สะพายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นกําลังให้ทานอยู่กําลังให้ทานน่ยนะ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 ในช่งเทศกาลต้องกา ร, ก, ารก็ทําจิตใจยังไงดีให้เหมือนน้ําน้ําให้ความร่มเย็นให้ความชื่นช่ำแก่คนทุกจําพวกไม่ว่าจะเป็นกระสัพราหมณ์แพทย์สู่รเชิทานใช่ไหมหรือไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นต่ำํำยาจกวานิพกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อใดมีน้ําไปชาําระไปอาบไปดื่มไปกินก็ได้รับความสุขได้รับความล่มเย็นนะได้รับความเยือกเย็นได้รับความสะ ด, ดวกสบายแม้ชั้นใด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 ราคาโทสะโมหะในใจของข้าพเจ้าหรือในใจของสัตว์นั้นน่ะให้หมดสิ้นจากกมลสันดานฉันนั้นเหมือนเกินนี่ก็ตั้งอัธยาศัยไหมตั้งอัธยาศัยเพื่อเป็นปัจจัยการชำระล้างนี่สมควรเกี่เวลาอย่างถึงเวลาอย่าง <c oughs> ถึงแล้วพยมแก้วมาหมดเวลาเลยเอาพอดีมาปิดงานพอดี เดี๋ยวไว้ตอนบ่ายสนทนากันต่อสาธุ